ตั้งใจกำหนดให้ทำความรู้สึกว่าเราชอบเราอยากจะทำความสงบให้ทำความรู้สึกในใจมีความรู้สึกปักไปให้ปักไปในการที่จะทำความสงบเพื่อจะให้จิตของเราสงบรมเรียน จิตสงบแล้วมีประโยชน์มากต่กางที่เราเดือดร้อนอยู่ทุกเมื่อเชื่ววันก็เพราะจิตไม่สงบนั่นแหละที่นการทําจิตสงบนีม่มันก็เป็นเรื่องยากสําหรับผุ้ทุชนทั่วไปสำหรับบุคคลทั้งหลายเนื่องจากว่าบุคคลทั้งหลายต่างได้รับ การฝึกฝนอบรมหรือว่าได้รับความคุ้นเคยในการที่ส่งจิตใจเส้นผ่านไปทั่วเป็นผ่านไปทางตาบางหูบางจมูกลิ้นกายใจก็เลยทำให้ใจคุ้นเคยอยู่กับความไม่สงบในเมื่อจะมาฝึกฝนให้มันเป็นตรงกันข้าม คือให้จิตใจสงบอยู่นิ่งสงบไม่เส้นผ่านไม่ส่งสายไปกับเรื่องต่างๆมันจึงดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ขัดข้องขัดต่อความเป็นปกติของมันขัดต่อความคุ้นเคยจึงรู้สึกจะลำบากเหตกาต่างๆ ที่มันเกิดอยู่ในโลกมันมีอยู่เสมอเสมอไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในยุคนี้สมัยนี้ให้ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งเป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นช่วงระยะที่เรามาอยู่มีชีวิตยอยู่ ก็จะถือว่าเป็นยุคของเราก็เป็นได้ก็ถือเอาว่าโลกหรือความเปลี่ยนแปลงไปในโลกนี้มันเกิดขึ้นในยุคเราสมัยเรามันเกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่าโลกเนี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันให้ตัวอย่างมันให้ตัวอย่างมันให้คุณธรรม แต่เรามากความจริงการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเป็นว่าความเกิดขึ้นของสิ่งบางสิ่งบางอย่างทั้งที่เราชอบหรือไม่ชอบแต่มันก็เกิดขึ้นมาความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆสากฏขึ่นให้สากฏแต่เราเราชอบหรือไม่ชอบมันก็เปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดสิ่งต่างๆที่ดับสูญสิ้นไปมันก็เกิดขึ้นมาอยู่ในขณะนี้แหละในช่วงที่เรามีความรู้จักรับทราบเป็นช่วงชีวิตของเราเนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ท่านแด้พินิจที่เรนาด้วยดีแล้วก็จะได้ประโยชน์มากผู้ที่ท่านศาสนาจะพ้นทุกข์ ท่านจะมาพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอยู่ในโลกนี้แหละแล้วท่านก็สามารถทําความเข้าอกเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เป็นไปในโลกในที่สุดท่านก็พ้นจากสภาวะที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนได้หมายความว่าพระอริยเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี ในสมัยของพระองค์ท่านในสมัยของท่านเหล่านั้นท่านก็ะจญกับสิ่งต่างๆมันเหมือนกับเราสิ่งต่างๆที่มีเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับสิ้นลงไปก็ปรากฏในสมัยท่านเหมือนกันเมื่อท่านเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้จัดรู้ได้เป็นผู้สังเกตในพบได้เห็นเป็นคนแรก ให้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของสีต่างๆแล้วจึงได้นําเอาความเห็นอ น, นั้นมาสั่งสอนสั่งสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามเห็นตามความเปลี่ยนแปลงไปท่านเรียกว่าอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จับสิ้นศูนย์ไปในที่สุดมันเป็นอนิจจัง คนเราคนอื่นๆก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าต่างก็มีอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันแต่เสียว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้ชนิดพิจรารณาละเอียดถี่ท่วนทั้งๆที่ก็เห็นอยู่เห็นเยู่ทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิงหลายอย่างเกิดขึ้นมาในชีวิตของตนนั่นนะในช่วงชีวิตนะั้เกิดขึ้นมาและก็แปรเปลี่ยนแล้วประดับไป แต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นความเป็นปกติไม่เห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากว่าจิตใจนี่ไม่มีความสงบเพียงพอบารมีไม่เพียงพอทําให้ไม่มองเห็นความเป็นจริงที่ปรากฏชัดเจนที่สุดไม่เห็นไปเห็นเอาความสวยไปเห็นเอาความน่ารักไปเห็นเอาความน่าเกลียดน่าชังไปเห็นเรื่อง ที่มันเดือดน้อนใจที่มันรักที่มันถูกปกถูกใจมองเห็นดี่งเดียวกันแต่เห็นในแง่นั้นไม่ได้เห็นในคำนองที่ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เห็นทั้งๆที่ปรากปวดอยู่นั่นแหละจิตใจที่ไม่ได้มีความสงบเป็นจิตใจเหมือนกันแต่ว่ากุณภาพยังไม่พอมีความสามารถในบางอย่างไม่เพียงพอ คือความสามารถในการที่จะหยุดยั้งแล้วเฝ้าดูสังเกตดูด้วยความละเอียดละออพิจริรณาจิต ด, ดวงไหนที่ยังไม่มีความสามารถที่จะหยุดจะยั้งจะดูก็ไม่สามารถเห็นความจริงโดยตลอดเมื่อไม่เห็นความจริงโดยตลอดก็ยังมีความผูกพันมีความจะเอาจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้ความที่จะ เอาที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อันนั่นแหละเป็นตัวที่พาให้สักรวรทั้งหลายมึนงงง ง, งันต่อความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆเลยมเไม่เห็นความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นธรรมชาของสิ่งต่างๆที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็สูญ ส, สหสูญสลายพระพุทธองค์ มาพิจารณาเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถึงเพราะว่าจะสวยจะดีเล่จะสะอาดจะสปก่ปรกจะทูกจะผิดจะดีจะชัวตามที่เขาว่ากันแต่ก็มีความเหมือนกันอยู่คือเป็นไตรลักษณ์เป็นลักษณะเป็นสามัญลักษณะคือเป็นลักษณะที่คื้นคลื่นเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นคือมันเป็นอนิจจังคือมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มันเป็นทุกข์ขังคือความค้นอยู่ไม่ได้ค้นอยู่อย่างเดิมเนี่ยไม่ได้โดยสภาวะของมันก็ค้นอยู่ไม่ได้ถ้าผู้ใดนิจจิตดงไหนจะไปต้านทานเอาไว้มันก็โดนโดนความที่ทนอยู่ไม่ได้มันพับเอาทันทีก็ทุกข์ ก็มาทันทีลักษณะทุกคือลักษณะที่ทนอยู่ไม่ได้แต่จิตที่จะไปเอาอยู่ให้ได้เมื่อกดทัพเอาและในที่สุดก็คือว่าทุกกิ่ทุกอย่างมันเป็นไปอยู่หมุนเวียนไปอยู่อย่างนั้นตามเรื่องตามราวอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นตรงต่ อ, อความต้องการความประสงค์หรือความพยายามของจิต ด, ดวงไหนของใครคนไหนคนหนึ่งเลยอันนั่นคือเป็นลักษณะอนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างน่ยมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกสังสารตาหมดเหมือนๆกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตรูศัตรเป็นสิ่งเป็นของภูเขาต้นไม้ลำพานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดทุกอย่างอันนี้ถ้าผู้ที่จิตใจไม่สงบถึงจะเห็นอยู่ทนโทุเห็นอยู่ แต่ก็มองไม่มองไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังสิ น, นารต า, ศาจะมองเห็นก็ใจผิวเกินนอกๆหยาบๆเท่านั้นแหละน่ารักน่าทางถูกคิดดีชั่วเห็นอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ติดพันอยู่กับเรื่องนี้งงงันอยู่ไม่เข้าใจความจริงเมื่อไม่เข้าใจความจริงก็ไม่สามารถจะละความอยากจะให้อย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ ละความอยากนี้ไม่ได้เพราะวานนึกว่าตนเองน่ะมีความสามารถจะทาได้อยู่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ยังมีอยู่ถ้าเห็นความจริงเสียแล้วจึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างมันมันไม่ใช่น่าจะเป็นอย่างที่เราว่าเราคิด หรือเราต้องการเราอยากเราประสงค์มันน่าจะเป็นอย่างมันถูกแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นนะมันถูกแล้วมันชอบโดยเหตุด้วยผลแล้วเพราะว่าวิธีการของมันมันคืออย่างนั้นอย่างเราเกิดมาแล้วก็โตขึ้นเมื่อเป็นเด็กก็ว่าอยากจะโตเอาอยากจะโตความจริงมันโตนะ่ะ มัน ไ, ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราเหรอกมันก็จะโตตามวิถีของมันมันมีความอยากอาหารนี่มันสร้างขึ้นมาเสร็จสร้างความอยากอาหารขึ้นมาก็หาอาหารมาบริโภคมันก็เติบโตขึ้นมาด้วยความการบริโภคอาหารนั่นพอเติบโตขึ้นมาอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวแตกประเดี๋ยวมันก็เป็นที่เรนึกว่าได้ตามจิตตามใจของตนแต่ความจริงมันเป็นตามวิถีของมัน พอพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็อยากจะให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเนี่ยให้อยากให้อยากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นนานๆเพราะรู้สึกว่าตนชอบจิตชอบอยากจะให้อยู่อนั้นนานๆมันก็มาอยู่ทีแรกนึกว่าอยากจะโตมันก็โตนึกว่าถูกใจเรานึกว่าถูกแล้วที่เราคิดมีนถูกยังไงยังไงมันก็เหมือนอย่างที่เราคิด เป็นไปได้ตามที่เราคิดแน่นอนที น, นี่พอไปเริ่มเป็นหนุม่มเป็นสาวแล้วจะจะเริ่มแก่แล้วครับเนี่ยพอเริ่มแก่แล้วไม่อยากให้แก่มันก็เริ่มแก่แล้วเริ่มเจ็บให้ได้ป่วยเจ็บให้ได้ป่วยไม่มีใครอยากได้ไม่ว่าป่วยอันไหนก็ไม่อยากได้ทั้งนั้นมันก็เริ่มเจ็บเริ่มป่วยออดแอดแอดแุกมาป่วยเป็นโรคหาวอนใหม่ ก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันช่างฝืนความรู้สึกเหลือเกินนี่ก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นก็ยังก็ยังไม่รู้จักวิธีอีกละว่าจะทํำยังไงยังไม่เห็นทะลุไปถึงว่าความจริงของมันมันคือมันเรื่องของมันไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตายังคิดว่าเราจะสามารถจะควบคุมบังคับได้ยุ่งเนี่ยยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งนูน้นพอแก่เท่ามากๆเ่เห็นแล้วแงข่ขาที่เคยรักนักหนาเคยประคับประคองให้าการดูแลอย่างดีแล้วมันก็เคยรับใช้มาด้วยดีบัดนี้มันไม่ให้ขึ้นแล้วคราวนี้จึงได้มาพอได้นึกบ้างว่าอ๋อมันเป็นอนัตตามันเป็นตามเรื่องของมันไม่ได้เป็นตามที่เราชอบเนี่ยกว่าจะมารู้อันนี้เนะี่ยโอ้โห ชีวิตผ่านไปเกือบจะหมดอยู่แล้วเหลื อ, อ น, นิดเดียวแล้วนันดิ้นหลนขวนขวขยดิ้นหลนขอนไขยเพื่อจะหาวิธีจะรู้จักว่าจะทำยังไงคือมันต้องไปตรงนั้นแน่ๆไปตรงที่ตายแกเจ็บตายมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังแล้วก็เลยมาศึกษาพระธรรมที่ในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เลยจึงมาพบว่าพระพุทธองค์ตรัสไปอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเมื่อแรกที่เราฟังก็ฟังบางคนก็ได้ฟังบางคนก็ไม่ได้ฟังได้ฟังแล้วก็ยังไม่เชื่อเมื่อต่อมานานเข้านานเข้าจะทักเชื่อทักจะเชื่อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมาทุกสิ่งทุกอย่างพอมาอายุแก่เท่ามากเท่า ข่าวนี้อะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วคนนี้แม้กระทั่งตนเองร่างกายนี้ก็ไม่เป็นไปตามที่ประสงค์จะแล้วเป็นอนัตตามดข่าวนี้แหละจึงจะพอรู้จักว่ามันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้า ว, วา่าเมื่อเห็นจริงอย่างนี้แล้วท่านก็บอกวิธีทางแก้ไขอยู่ มีทีศทางที่จะทํำยังไงกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดจะพ่อนหน้านี่คือเราจะตายคือร่างกายนี่มันจะเป็นไปเรื่องเรื่องของมันแล้วตอนนี้เราควรจะทําอย่างไรจรึงต้องมาฝึกจิตฝึกใจคือฝึกให้มันรู้จักปล่อยรู้จักวางอันนี้แหละเป็นคุณที่เศษของในพระพุทธศาสนาคือความรู้จักปล่อยรู้จักวาง วางออกเสียจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆอันนี้แหละวิธีนี่แหละมีวิธีเดียวนี้จึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตใจนี่ไปมีความยึดความถือความจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวประสงค์นั่นแหละมันก็เลยทุกข์ถ้าจะพ้นจากทุกข์นี้ได้อย่างไง ก็คือวางคือปล่อยเสียออันคำว่าปล่อยเสี้ยนี่วางเสียนี่ก่อนมันหมายความว่าผู้ที่ไปยึดนะคือจิตไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันมายึดเป็นจิตไปยึดเขาถ้าจะให้ถูกก็คือจิตต้องปล่อยต้องวางทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้ทำไมจึงวางไม่ได้ก็เราเองจิตเองนะ่ะเป็นผู้วางก็จิตรู้แล้วทำไมจะวางไม่ได้ มันวางไม่ได้เพราะสันดานของมันนิสใสจนกระทั่งเป็นสันดานชอบไปยึดชอบไปจะทำจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าตัณหาความอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าตัณหาตัณหานี่มันจับหนาเกิดอยู่ที่จิตวิธีจะปราบตัณหานี่ก็คือต้องดำเนินมั่นี่แหละที่พวกเรามานั่งกันอยู่นี่เนะ่ะ คือมาเดินมัก ด, ดำเนินมักคือหาวิธีทำระความยึดความถือนี่ออกมันจึงจะพ้นจากความที่มันจะมาทับเอาดังนั้นการภาวนาของพวกเรานี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าขัดข้องลำบากเกิดร้อนเหลือเกินมานั่งเกิดความรู้สึกบีบขันแก่ตนเองไม่เป็นอิสระ ไม่สะดวกไม่สบายถึงจะอย่างนั้นก็ดีก็จ o คิดว่าอันนี้มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากที่สุดในชีวิตของเราถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อยู่ไปจนกระทั่งหมดอายุก็ศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรหมดความเข้าใจก็ไม่มีความสามารถจะทาได้ก็ไม่มีจิตใจก็เลยต้องหลงไปก็ต้องหลงอยู่กับนั่นะ ความรักความกลาความถูกความผิดความทะเลาะเบาะแวงความอะไรสารพัดเน่ยซึ่มันเกิดมีอยู่ทั่วไปในโลกเนี่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาจึงไม่สามารถจะแยกแยะออกได้ทั้สดังนั้นที่เราทําความสงบนี่มันเป็นพื้นฐานมันเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญมากๆท่านบอกว่าถ้าเรามีความสงบแค่เท่านั้นน่ย มีความสงบทิสเพียงคอยืนหยัดด้วยความสงบจิตใจสงบมันสังเกตมันเข้าดูดูตัวเราดูสิ่งต่างๆในธรรมชาติแล้วจะเห็นความจริงของสีต่า ง, งๆทั้งหมดมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาซึ่งมันทนโทษมันแสดงออกอยู่เรื่อยทุกๆขณะทุกๆเวลาทุกๆโอกาสแล้วี่มองไม่เห็นถ้าสงบแล้วจะเห็น ไม่เห็นมากกว่าเห็นน้อยดังนั้นต่อไปนี่ทําความสงบเลยปะทําความสงบในฟั้งนี้ออกไปแล้วก็ทําความสงบการทําความสงบนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําให้เย็นถึงกระทั่งนีลงไปจิตแล้วหายไปเลยเงียบไปเลยอะไรทีงไม่ถึงขนาดอย่างนั้นหรอกทําความสงบนี่เพราะจิตไม่เพนผ่านไปไหนรู้ตัวอยู่ นั่นแหละเป็นประโยชน์มากถ้าจิตแล้วไม่เพ่นผ่านไปไหนแล้วรู้ตัวอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาปรากฏมันปรากฏประกะปรากฏที่เรานี่แหละปรากฏที่ตาเราปรากฏที่หูเรานี่เน่ยพยายามทําจิตให้ลงสู่ความสงบอย่าให้มันเพ่นผ่านไปไหนเรารู้ตัวอยู่เนี่ยอันนี้ทําขนาดนี้พอใช้ได้มีความร่มเย็นในจิต ใ, ในใจได้แน่นอน ชาวเวียดนามปรงเทศเขาลงปู